เด็กเล็กๆน่กก็ฟังธรรมะไม่เข้าใจเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเด็กเล็กๆน่กก็ยังฟังยากถ้าสักเจ็ดขวบแปดขวบอะไรขึ้นไปนี่ก็พอได้อย่างเด็กที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อเก้าขวบโอมันถามธรรมะน่าฟังนะถามจนผู้ใหญ่กลัวเลย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 เขาต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้ามีจริงๆนี่ถ้าเราชาวพุทธไ ม, ไม่ไม่คิดว่ามรรคผลนิพพานมีจริงจริงศาสนาพุทธก็จะไม่ต่างกับปรัชญาจุดสำคัญของชาวพุทธนะเราไม่ได้เชื่อลอยๆเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนลอยๆว่ามรรคผลนิพพานมีจริงจริงท่านบอกวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราสามารถเข้าไปประจักษ์ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยตัวเราเอง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 ความเชื่อของชาวพุทธเป็นการเชื่อแบบทาให้พิสูจน์ชวนให้พิสูจน์หลวงพ่อขอบอกว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหลวงพ่อบอกวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วหลวงพ่อขอ้าว่าจะมาลองไหมละ่ะถ้าคนไหนคิดจะฟังเล่นๆนะก็ยากหน่อยนะใจมันจะฝ่อใจมันไม่ใจมันไม่ถึงจริงที่จะเรียน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 มีสมาธิเล็กน้อยคือใจไม่ค่อยตั้งมั่นอกใจก็เหมือนปุถุชนนี่แหละแกว่งไปแกว่งมาแต่ว่าถือว่าดีกว่าปุถุชนนิดหน่อยเลยเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยส่วนปุถุชนทั้งหลายนี่ไม่ค่อยมีสมาธิสมาธิไม่ค่อยมีมีแต่มิจฉาสมาธิมีแต่เพ่งๆเวลาปฏิบัติเราก็ไปเพ่งดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องเดินจงกรมไปเพ่งเท้ารู้ลมหายใจไปเพ่งลมอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่เพ่งใส่ตัวอารมณ์ ยังเป็นวิชาสมาธิอยู่ตัวสัมมาสมาธิคือตัวที่ใจตั้งมั่นเนี่ยพระโสดาบันใจก็ไม่ตั้งมั่นนะตั้งนิดๆหน่อยๆฉลบซ้ายฉลบขวาตลอดเวลาพวกเราสังเกตไหมใจของเราฉลับไปฉลับมานะพวกที่เรียนมานานๆแล้วเห็นแล้วนะหองพ่อถามเนี่ยถามคนที่ไม่เคยมาเรียนไม่ใช่ถามพวกคุณสุมเมศคุณมาลี <c oughs> คุณอุสาอะไรพวกนี้นะ เห็นไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตไปทํางานปั๊บเลยแอบไปคิดนะไหลๆปุ๊บๆไปดูออกไหมมันเคลื่อนไปทันทีเลยนะจะหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้นี่เรียกว่าใจมันไม่ตั้งมั่นพระโสดาบันก็ใจอย่างนี้แหละแกว่งไปแหวงมาน ะ, นะพระโสดาบันยังมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีไม่มีตัวตน พวกเรายังไม่มีปัญญากระทั่งเล็กน้อยนะเรียกว่าปัญญาอ่อนๆปนัญญาอ่อนปัญญานิ่มๆนะเพราะปัญญาเล็กน้อยอันนี้เรายังไม่มีคือเรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไ้มในกายเนี้ยในร่างกายเนี้ยมีตัวเราอยู่คนหนึง่งรู้สึกไหมนะถ้าเมื่อไรเป็นพระโสดาบันนะดูลงไปมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีกระทั่งเงาเงาของความเป็นตัวตนก็ไม่มีนะ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 เผลอไปแล้วก็รู้นะถ้าเพ่งอยู่ก็รู้รู้ทันไปเรื่อยในที่สุดก็ไม่เผลอไม่เพ่งรู้สึกตัวสบายๆตรงที่รู้สึกตัวอยู่นี่แหละรู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าทางสายกลางเผลอไปตามใจกิเลสไปนะัก็สุดตรงไปข้างตามใจกิเลสชื่อกามสุขอริกานุโยคเมื่อกีเทศทางสี่ดีพิรอบแล้วน ะ, ะถ้าไปเพ่งไว้ก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจเงี้อย่าไปบังคับนะ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 ใจมันโปรง่งมันโล่งสบายมิทราบว่าอันนั้นถูกต้องหรือเปล่าถูกสินะเวลาจิตที่มีความรู้สึกตัวนียจิตจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะสบายจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบสาสว่างนะเป็นจิตที่เบาจิตที่นุ่มนวลจิตที่อ่อนโยนจิตที่คล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุดไม่ถือนั่นจิตชนิดนั้นจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้น อยากจะขอคาแนะนําหลวงพ่อหน่อยจ้ของโยมยังประคองไว้เล็กน้อยนะอย่าประคองจิตนะรู้สึกมหมยังประคองอยู่นะปล่อยจะเป็นแค่ประคองจนเดียวไม่ใช่เพ่งใช่ไหมเจ้าค่ะหรือใกล้เคียงกันประคองนี่เป็นจุดตั้งต้นของการเพง่ง ค, คือเราอยากให้มันดีใช่ไหมอย่างเราตื่นเต้นเนี้ยเราก็อยากให้มันไม่ตื่นเต้นนะเราเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาเราไม่ชอบเนี้ยเราก็พยายามรักษารักษาจิตให้มันดีให้มันนิ่งมันกลายเป็นการประคองจิตไป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 ให้รู้ทันนะอย่ามาลาค <rehab> า, าญหลวงพ่อนะําคาญลาคาญไอ้ตัวที่เรามันมันมันออกไปไอ้ตัวที่ห้ามมันไม่ได้นะให้รู้ทันมันเพราเราเห็นมากๆเราลาคาญเราก็รู้ว่าลาคาญไปค่ะจิตมีหน้าที่ออกนอกนะมันออกไปรู้อารมณ์ห้ามมันไม่ได้ค่ะอ <choking S 2> <Cell. S 2> ันนั้นที่เราลาคาญเพราะาเราติดอยู่ในความสุขงั้นการภาวนาเนี่ยเมื่อไรเราติดอยู่ในความสุขภายในเราจะลาคาญที่มันจะออกข้างนอก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 แล้วก็การที่เราภาวนาด้วยอารมณ์ที่เคลื่อนไหวเนี่ยดีกว่าอารมณ์ที่หยุดนิ่งงั้นอย่างเดินนี่นะจิตใจมันจะเคลื่อนไหวได้ง่ายถ้านั่งแล้วพวกที่ติดสมถะถ้านั่งเราจะซึม ง, ง่า ย, ยะระหว่างเดินแล้วฟุ้งซ่านนะแนั่งแล้วซึมเนี่ยไปเดินดีกว่าขอบครบุเอาต่อไปตื่นเต้นไหมคนนี้ตื่นเต้นมากค่ะอตอนน้ำสกัดค่ะหลวงพ่อ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 ทำนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวสงสัยอย่างหนึง่งเอ๊ะทำไมมีแต่ผู้หญิงแฮะมีใบแอดหรือเปล่าในการเลือกอถามไปก็ดูกิเลสอยู่อะคะ่ะตัวที่เกิดบ่อยคือตัวอิจฉาคนอื่นแล้วก็มั่นไส้คนอื่ น, นะะแม้ดีนะดีแล้วมันก็จะพวกเปรียบเทียบว่าอยากดีอยาก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 ผมเวลาขับรถผงสื่นผมต้องใจสมาธิมากกลัวจะเผลอไปชนใครเข้าถ้าสมสาคนท่านบ้างคงจะเกิดอันตรายอย่าอย่าน้อมเข้าหาความสงบนะเวลาขับรถนะ่ะตาหูอะไรได้ต้องว่องไวไว้อย่าน้อมทําสมถะตอนนั้นถ้าทำตอนนั้นเดี๋ยวรถชนเราจิตมันรวมอะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้ามาก็ช่วยไม่ได้เราจะนินทานะ หลายปีก่อนหัดอยู่กับหลวงพ่อที่เมืองการหัดดูจิตนะและ้วดูดูจิตยังไม่เป็นช่วงนอนเดี๋ยวนี้เป็นละตอนนั้นไปเพ่งจิตครับพอขึ้นรถนะก็นั่งจ้องอยู่ที่จิตตัวเองเนี่ยเพ่งอยู่เงี้ยเห็นไฟแดงนะนึกไม่ออกว่าจะต้องเหยียบเบรกนะแค่ชนทีเดียวห้าคันเลยที่จอดอยู่ข้างหน้าตั้งแต่นั้นพ่อเลยไม่ยอมให้ขับรถเลยนะงั้นเวลาที่เราขับรถนะเราต้องรู้รู้ว่าเราแต่ทาหน้าที่ขับรถอย่าพิดทำสมาธินะ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทฟนารโสยถามณีโชติระโสยัทาสัพีติโยวิวัตชันตูสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาฒนาศีลิสนิจังอุททาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพระลัง